คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 สิบเเมตพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า1 0 0สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่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 ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการกกลเม็ดครัวไอเดียผู้ดำเนินรายการพน um ุมาตรหัตถบุญสร้างสรรค์และผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะพนุมาธัตบุญนะคะรับหน้าที่ดําเนินรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะในหนึ่งชั่วโมงกับเรื่องราวของสารพันห้องครัวเรื่องราวของห่วงจุย้ยนะคะการตกแต่งห้องครัวเองก็ดีเคล็ดลับการเข้าครัวก็ดีรวมไปถึงเรื่องของการทําความสะอาดเครื่องใช้เครื่องครัวแล้วก็ห้องครัวต่างๆนะคะมาฝากกันในรายการกลเม็ดครัวไอเดียนั่นเอง ซึ่งรายการกลเม็ดครัวไอเดียนะคะสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะวันนี้เอมาพร้อมกับทีมงานวิทยุราชมงคลทัญบุรีนะคะมาขับร้เพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นเองหากคุณผู้ฟังมีเรื่องราวที่อยากจะติชมนะคะหรือว่าแนะนําหรือว่ามาพูดคุยกับรายการของเราก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจวิทยุราชมงคลทัญบุรีนั่นเองค่ะ ช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเอามีเรื่องราวของประโยชน์จากอาหารออแกนิกมาฝากการใครที่สนใจนะคะกับเรื่องราวของอาหารออแกนิกอาหารเพื่อสุขภาพแล้วแล้วก็ช่วงหน้าพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของประโยชน์ของอาหารออแกนิกกันค่ะ เธอเรื่อยไปอยู่คนเดียวเหงาจนจับหัวใจ เธอเลยไปอยู่คนเดียวเงาจนจากหัวใจแต่ไม่เคยให้ใครแทนที่เธอ ความฝันภาพเธ อ, อยังวางที่ก่ายัางฝัน d I. เธอเรื่อยไปอยู่คนเดียวเหงาจนจับหัวใจแต่ไม่เคยให้ใครแทนที่เธอ กลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการโกลเม็ดครัวไอเดียกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงนี้เอมีเรื่องราวของประโยชน์ของอาหารออร์แกนิกมาฝากกันการรับประทานอาหารออร์แกนิกนะคะนอกจากจะช่วยต้านโรคต่างๆอย่างโรคมะเร็งภูมิแพ้นะคะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองแล้วยังทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่ดีในปริมาณที่สูงกว่าอาหารทั่วไปนะคะเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการยังคงให้ความสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีความสดได้นาน กว่าอาหารทั่วไปอีกด้วยหากรับประทานอาหารออร์แกนิกเนีคะตั้งแต่ก่อนตั้งครรจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคทั้งหลายได้อย่างเช่นหอบหืดออทิสติกนะคะภูมิต้านทานบกพร่องนะคะโรคมะเรง็งที่จะเกิดขึ้นกับลูกน้อยก็จะลดลงแถมยังช่วยทําให้คุณแม่เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะอาหารออร์แกนิกเนะคะจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอาหารทั่วๆไปโดยพืชผักที่ปลูกโดยวิธีออร์แกนิกเนีคะจะมีวิตามินซีสูง ที่มากกว่าพืชทั่วไปนะคะถึง 27% มีธาตุเหล็กมากกว่า 21% นะคะแล้วก็มีแมงกานีสเนี่ยมากกว่า 29% เลยทีเดียวซึ่งผลการวิจัยนี้นะคะวิจัยโดย The s o y Association ที่ประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการระหว่างอาหารออร์แกนิกกับอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะทดสอบโดยการใช้แอปเปิ้ลลูกแพร มันฝรั่งเข้าโภษเข้าสารีพบว่าปริมาณของแร่ทาตินในอาหาร Organic มีมากกว่าอาหารทั่วๆไปดังนี้ค่ะมีแคลเซียมมากกว่า 63%, นะะมีทาดเหล็กมากกว่า 73%, ฟอรฟอรัสมากกว่า 91%, โปทสเซียมมากกว่า 125%, แมกนิเซียมมากกว่า 118%, โมลิฟตีนามนะะมากกว่า 178%, สังกสีมากกว่า 60%, คะ่ะ โปรเมียมนะคะมากกว่า 78% และยังพบว่ามีสารป ร, รอซึ่งเป็นสารพิษที่พบในอาหารทั่วไปนะคะจะมีปริมาณที่ค่อนข้างสูงแต่กลับ พบในอาหารออร์แกนิกเนี่ยน้อยกว่าอาหารทั่วไปถึง2ีส่วนงานวิจัยของสมิธสแปงกนะคะลับคณะผู้วิจัยเนี่ยได้ทบทวนผลการศึกษากว่า230ฉบับเลยทีเดียวซึ่งเปรียบเทียบสุขภาพของคนที่รับประทานอาหารออร์แกนิกกับคนที่รับประทานอาหารธรรมดาทั่ ว, วไปซึ่งทีมนักวิจัยเนี่ยพบว่าปริมาณของวิตามินในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแทบไม่มีความแตกต่างกันยกเว้นฟอสฟอรัสค่ะที่อาหารออร์แกนิกเนี่ยจะมีปริมาณมากกว่า เพียงน้อยนะคะส่วนอาหารในกลุ่มของโปรตีนแล้วก็ไขมันในนมพบว่าไม่ว่าจะเป็นนมออแกนิกหรือว่านมทั่วไปก็มีปริมาณของโปรตีนแล้วก็ไขมันไม่ต่างกันแต่ในบางการศึกษานะคะระบุว่าในนมออแกนิกเนี่ยจะมีกรดไขมันโอเมก้า3มากกว่าแต่ว่าเนื่องด้วยยังมีหลักฐานการศึกษาที่น้อยมากจึงทาให้ไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนค่ะ โดยอาหารออแกนิกจำพวกผักและผละไม้นะคะจะมีความเสี่ยงจากยาฆ่ า, มาแมลงที่ต่ำกว่าร้อยละ30เมื่อเปรียบเทียบกับผักและผละไม้ทั่วไปในขณะที่หมูแล้วก็ไก่อินทรีย์นั้นจะมีสารแบคทีเรียนะคะน้อยกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไปถึง3าแต่อย่างไรก็ตามแล้วค่ะเราอย่าลืมว่าปริมาณของสารที่ตกค้างซึ่งเกิดจากการใช้สารเคมีหรือว่ายาฆ่ า, มาแมลงนั้นนะคะในสินค้าบางชนิดยังมีค่าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนํำ ผักและผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์มารับประทานควรจะล้างให้สะอาดเสก่อนไม่ว่าอาหารนั้นจะเป็นอาหารออแกนิกหรือไม่ก็ตามทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะ โดยอาหารออร์แกนิกนะคะผลิตมาจากกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ผู้บริโภคเนี่ยจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายทั้งยาฆ่ า, มาแมลงยาฆ่ายาสารป้องกันเชื้อราหรือแม้แต่ปุ๋ยเคมีค่ะอาหารออร์แกนิกเนี่ยมีรสชาติที่ดีกว่านะคะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าอาหารที่ผลิตจากระบบเกษตรทั่วไปที่มีการใช้สารต่างๆหรือแม้แต่ในด้านของการแปรรูปเองก็ตามอาหารออร์แกนิกเนี่ยจะผ่านการแปรรูปน้อยกว่าค่ะทั้งนี้ก็ เพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเนี่ยเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองสัตว์ที่เลี้ยงในระบบเกษตรอินทรีย์นะคะจะไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือว่าสารเร่งการเจริญเติบโตแม้กระทั่งอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงนะคะก็จะต้องเป็นอาหารสัตว์ออแกนิกที่ผลิตจากกระบวนการเกษตรอินทรีย์โดยไม่มีการใช้สารปรุงแต่งนะคะอย่างเช่นสีผสมอาหารสารกันบูดถึงจะทําให้ผลผลิตต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนมไข่เนื้อสัตว์จะไม่มีการ สังเคราะห์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ค่ะในการผลิตอาหารออร์แกนิกแปรรูปนะคะก็จะมีข้อกําหนดแล้วก็ข้อห้ามในการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นสารให้สีสารกันบูดนะคะสารแต่งกลิ่นแต่งรสรวมไปถึงกรรมวิธีการแปรรูปก็ต้องเป็นกรรมวิธีที่ปลอดภัยห้ามใช้วิธีการที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างเช่นการฉายแสง การฟอกสีให้ขาวการหมักนะคะโดยการใช้สารเเรงนั่นเองโดยกเกษตรกรผู้ปลูกนะคะจะมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นปลอดภัยจากสารเคมีเพราะว่าในระบบกะเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายใดๆเลยในระบบกะเกษตรอินทรีย์นะคะการเลี้ยงสยัตว์ทั้งปสัสัตว์สัตว์น้ําและสัตว์ปีกเนี่ยจะให้ความสําคัญกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของสัตว์นะคะให้ความธรรมชาติแก่สัตว์ไม่กักขังสัตว์ให้อยู่กันอย่างแออัด ไม่กุศอวัยวะหรือว่าทำการทรมานสัตว์ไม่เร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงด้วยวิธีใดๆและดูแลสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์โดยพิจารณาจากธรรมชาติของสัตว์ค่ะจึงทําให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพอนามัยที่ดีเจริญเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติและมีความเป็นอยู่ที่สมควรแก่อัตภาพนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเอมีเรื่องราของ5วิธีจัดห่วงจุ้ยห้องครัวเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขมาฝากกันในช่วงหน้าค่ะ เธอรอดไปเธอโดนขอหาฟ้องว่าเธอนี่ยหลายใจเธอได้ยินไหมขอให้เข้ามามอ n i t o r ฉันจะขอเช็ค L O V E เธอมีใครในใจไม่ baby I don't wanna hurt you l a d y t ห้ามจะฝ่าฟืนถ้าเธอยอมเชื่อฟังขอปลอดภัยถ้าเธอยอมทำตามธ็จบไปโอเคมอมาแล้วหไปไหนข้ <Stop. S 1> าเธอขัดขืนจับฉันคงฉันคต้องจับสบทือนะจับเธอเธจป จับด้วยดีซะจับหัวใจเธอจับมามดให้อยู่ซะขังเธอเอาไว้ขังเธอไว้ในหัวใจมัดใจเธอไว้ห้ามไม่ให้เธอหนีไปเธอห้ามประกันคนเขาหากันวุ่นวายคืนให้ลุกไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำร้ายใครฉันจะคอยเช็ค L O V E เธอมีใครในใจไม่ Baby I don't wanna hurt you l a d y ห hunt up ถ้าที่ยอมเชื่อฟังก็ปลอดภัยถ้ายอมทําตามก็จบไปโอ้คำมัมาอะไรพามไปไหน How เธอาคัดคืนจับฉันคงฉันคงต้องจับสทจับเจ้าจาจะปล่อยเอาไว้ลมบากจับยกมือขึ้นมาจับด้วยดีซะจับหัวใจเธอจับมามัดให้อยู่ซะจับฉันคงฉันคงต้องจับจับฉันคงฉันคงต้องจับ จับ <Hey. S 1> ยกมือขึ้นมาให้จับ oh. จับ oh. หัวใจจะจับมามัดให้อยู่ซะ <Hey. S 1> Yeah เช็ค L O V E เธอมีใครในใจไหม baby I don't wanna hurt you l a d y t hurt เธอฟืนถ้าเธยอมเชื่อฟังก็ปลอดภัยถ้าเธยอมทำตามก็จบไปโอ้ o โมยมาแล้วพามไปไหนจั o เฝ้าเธอคับคืนจับฉันคงฉันคงต้องจับซักทีนะจับฝ้าตาเธปล่อยออกไว้ลาบากนะจับยกมือขึ้นมาให้จับเกยดีส้จับหัวใจตัวจับมามัด ยังคสุขเร็ต้องจับสุขใจนั้นจับถ้าจางจะปอย กลับเข้ามาสู่ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของกลเมตรเกล็ดเสริมครัวค่ะเรามีเรื่องราวของ5วิธีจัดห่วงจุ้ยห้องครัวเพื่อชีวิตสมบูรณ์พูนสุขมาฝากกันนะคะการจัดห้องครัวให้ถูกหลักห่วงจุ้ยจะช่วยเสริมในเรื่องราวนะคะของความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยเราจะมาจัดห่วงจุ้ยห้องครัวเพื่อเสริมความสมบูรณ์พูนสุข ด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้ค่ะคนโบราณเนี่ยเขาจะถือว่าห้องครัวถือเป็นผู้รักษาจิตวิญญาณของบ้านนะคะดังนั้นเนี่ยในหลายพื้นที่จึงนิยมติดภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เพื่อขอให้ช่วยดูแล ความเป็นอยู่ของคนในบ้านซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยห้องครัวสัมพันธ์กับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตดังนั้นการจัดฮวงจุ้ยห้องครัวให้ถูกต้องนะคะจึงมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะวันนี้เอก็เลยได้ข้อมูลดีๆจากระปุด .com ค่ะเขานำเรื่องราวของ5เทคนิคการจัดห้องครัว ตามหลักห่วงจุ้ยนะคะมาฝากกันข้อแรกกันเลยนะคะกับลักษณะของห้องครัวที่ดีห้องครัวที่ดีนะคะจะต้องไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าหรือว่าทางออกของบ้านเพราะว่าพลังงานนะคะดีซึ่งเขาจะมีทางหลักของหวงจุ้ยแล้วเนี่ยเขาจะมีพลังงานดีนะคะ ก็จะเคลื่อนออกไปได้ง่ายนอกจากนี้แล้วเนี่ยควรจะให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมนะคะอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็น่าเข้าไปใช้งานห้องครัวควรเรียบง่ายค่ะแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ที่เยอะจนดูลุงรังหรือว่ารกแบบนี้นะคะโดยอาจจะแต่งแค่แจกันดอกไม้นะชามใส่ ผลไม้นะคะกระถางพืชสมุนไพรเอาไว้เพื่อดึงดูดพลังงานดีรวมถึงการเลือกใช้สีนะคะของห้องครัวให้สวยงามกลมกลืนอย่างเช่นสีเหลืองเพราะว่าดีต่อการย่อยอาหารนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่2จัดห้องครัวขนาดเล็กให้ถูกหลักห่วงจุย้ย หวงจุ้ยที่ดีนะคะสำหรับห้องครัวขนาดเล็กเนี่ยก็คือต้องดูปล่งสบายตาโดยอาจจะใช้ชั้นวางของที่เปิดโล่งนะคะหรือว่าตู้ที่เพ้นด้วยสีอ่อนอย่างเช่นสีขาวหรือว่าสีเหลืองอ่อนไฟที่ใช้ในห้องครัวนะคะก็ควรจะสว่างอย่างเหมาะสมแล้วก็อาจจะติดตั้งกระจกเพื่อหลอกตาให้พื้นที่เนี่ยดูกว้างขึ้นนั่นเองแต่ว่าอย่าลืมตกแต่งห้องครัวด้วยกระถางสมุนไพรเล็กๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชามใส่ผลไม้ด้วยก็ได้ค่ะ ก็ที่สานะคะตำแหน่งการวางเตาในห้องครัวด้วยเหตุที่เตาเป็นตัวแทนของธาตุไฟค่ะดังนั้นเตาน่ยะคะจึงควรตั้งในตำแหน่งที่ไม่ทําลายหรือว่าถูกทําลายโดยธาตุไฟซึ่งก็คือทิศใ ต, ต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะควรวางเตาในตำแหน่งที่มองเห็นห้องครัวได้ง่ายโดยหากเตาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องหันหลังให้ห้องครัวตลอดย่อมส่งผลเสียในเรื่องของหวงจุ้ยแน่นอนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้อาจจะส่งผลต่อห่วงจุ้ยไม่มากนักแต่ก็ควรนําไปพิจารณานะคะร่วมกับการจัดห้องครัวด้วยหากว่าทําได้นะคะแล้วก็สะดวกในการาจัดตกแต่งนะคะ mm hmm. ข้อที่4กันบ้างนี่ยกับเรื่องของการใช้จานให้ดีตามหลักห่วงจุ้ยการเลือกใช้จานชามนะคะที่จะใช้ในบ้านเนี่ยให้เลือกจากจานชามแบบที่ใช้บ่อยๆโดยคํานึงถึงสีแล้วก็รูปทรงที่ชอบโดยตามปกติเนียคะจานทรงกลม สีขาวจะเป็นตัวแทนของ รักฐานที่อุดมสมบูรณ์นั่นคือเหตุผลที่พัตคารนิยมใช้จานสีขาวที่เป็นทรงกลมค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสีขาวยังเหมือนกับผืนผ้าใบสะอาดนะคะที่รอการแต่งแต้มสีสันส่วนทรงกลมเนี่ยสื่อถึงความหมุนเวียนนะคะแล้วก็กลมกลืนอย่างไรก็ตามแล้วทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ได้แปลว่าจานทรงสี่เหลี่ยมนั้นไม่ดีตามหลักฮวงจุ้ยนะคะเพียงแต่ว่าให้พลังงานที่ต่างออกไปคือความเชื่องช้าแล้วก็สื่อถึงธาตุดินนั่นเอง สุดท้ายนะคะข้อที่5การใช้ห่วงจุ้ยห้องครัวช่วยลดน้ำหนัก ได้อย่างไรนะคะสถานที่แรกในบ้านนะคะที่ควรจะใส่ใจหากต้องการลดน้ำหนักก็คือห้องครัวนั่นเองโดยจะต้องทำห้องครัวให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสื่อถึงความสดชื่นหรือสว่างสวัยนะคะดังนั้นวิธีที่จะทำให้ห้องครัวสะอาดโล่งเนี่ยคือการเคลียร์อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงตอนลดน้ำหนักออกไปค่ะนอกจากนี้แล้วควรใช้สีที่ให้ความรู้สึกสงบเพื่อลดความอยากอาหารนะคะอย่างเช่นสีฟ้าสีเขียว ส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือสีแดงสีส้มสีม่วงสีเหลืองสว่างสีชมพูค่ะเพราะว่าจะทำให้อยากอาหารนะคะนอกจากนี้แล้วให้ตั้งขวดน้ำหรือว่าพืชสมุนไพรไว้ในห้องครัวจะช่วยเสริมนะคะการลดน้ำหนักให้สำเร็จเป็นจริงได้ หลักดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมานี้นะคะหลายคนคงจะรู้สึกว่าเป็นการผสมผสานกับความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวยังไงก็ลองนําไปปรับใช้กันดูเนีะคะแล้วก็รอรับความอุดมสมบูรณ์พูุ่สุขที่กําลังจะเข้ามาได้เลยค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะคะกับเรื่องราวของการทําความสะอาดวันนี้เอมมีเรื่องราวของการทําความสะอาดพัดลมดูดอากาศในห้องครัวมาฝากกันนะคะจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ เธอเหงาแค่อยากดีเฝดูกลไปที่เดม่หดีมาทไหนจะไปนั้นกลับไปที่เก่าของฉันอยากวนกลัวจะู 听啊 กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการกลเม็ดครัวไอเดียกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงนี้กลเม็ดเกล็ดท้ายครัวนั่นเองนะคะเรามีวิธีการทําความสะอาดพัดลมดูดอากาศในห้องครัวมาฝากกันขจัดทุกคราบสกรปรกให้หายเกลี้ยงเป็นไปเลยค่ะวิธีการทําความสะอาดพัดลมดูดอากาศนะคะตั้งแต่ขั้นตอนวิธีการแกะพัดลมดูดอากาศแบบติดเพดานเราก็ติดผนังพร้อมทั้งการทําความสะอาดคราบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นนะคะหรือว่าคราบไขมันก็ล้างออกได้ การทําความสะอาดพัดลมดูดอากาศนั้นก็คล้ายๆกับการทําความสะอาดพัดลมทั่วไปแต่ว่าถ้าหากยังไม่รู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวข้อมูลจากกระปุก .com ค่ะก็มานําเสนอในวิธีการทําความสะอาดพัดลมดูดอากาศนะคะแบบติดเพดานและแบบติดผนังมาฝากกันตั้งแต่การแกะพัดลมดูดอากาศการทําความสะอาดการติดตั้งนะคะกำจัดได้ทั้งฝุ่นละอองแล้วก็คราบไขมันอยากรู้ว่าต้องทําอย่างไรนะคะไปรับฟังกันเลยดีกว่า เนะะี่ยข้อแรกนะคะวิธีการทำความสะอาดพัดลมดูดอากาศแบบติดเพดานค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้แกะฝาครอบ ออกโดยการใช้นิ้วสอดเข้าไปนะคะที่ด้านข้างของฝาครอบแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาข้อที่2นะคะเมื่อสอดนิ้วเข้าไปด้านในแล้วเนี่ยจะเจอกับลวดที่ยึดด้านข้าง2คู่ค่ะให้กดลวดนะคะเข้าหากันแล้วจึงถอดฝาครอบออกมา 3. ดูดฝุ่นทําความสะอาดฝาครอบนะคะ 4. หลังจากดูดฝุ่นแล้วให้นําฝาครอบเนี่ยมาล้างทําความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งข้อที่ห้าทำความสะอาดมอเตอร์ด้วยเครื่องดูดฝุ่น ก็ที่6ค่ะเมื่อฝาครอบแห้งแล้วนะคะให้ใส่กลับเข้าไปดังเดิมโดยให้กดลวดทั้ง2คู่เนี่ยเข้าหากันแล้วก็สอดลวดเข้าไปด้านในนะคะให้ลวดเนี่ยเกาะขอบด้านในดันให้ฝาครอบปิดสนิทค่ะ เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะสหรับการทำความสะอาดพัดลมดูดอากาศแบบติดเพดานทีนี้เรามาดูในส่วนของการทำความสะอาดพัดลมดูดอากาศแบบติดผนังกันบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือถอดปลั๊กนะคะเป็นปลั๊กพัดลมเนี่ยออกให้เรียบร้อย้อที่2 ถอดตัวใบพัดนะคะออกจากฐานข้อที่3ามนำผ้าแห้งค่ะเช็ดฝุ่นออกจากใบพัดให้หมดนะคะจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ํายาล้างจานเช็ดตามใบพัดค่ะแล้วก็เช็ดตามองค์ประกอบต่างๆของตัวพัดลมด้วยนะคะข้อที่4ี่ใช้ผ้าแห้งแล้วก็ผ้าชุบน้ํายาล้างจานเนี่ย เช็ดฐานให้สะอาดค่ะข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายรอให้ใบพัดแล้วก็ฐานแห้งสนิทจากนั้นเนี่ยหมุนใบพัดเข้ากลับฐานดังเดิมเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการตรงนี้แล้วนะคะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการกลเมตรครัวไอเดียของเราในสัปดาห์นี้ค่ะ สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังนั้นต้องรอติดตามกันนะคะในเรื่องราวของสารพันห้องครัวสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง w w w r a d i o .rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่เฟ c บุ o กคอม /rmuttradio หรือทาง l ล n e official R M U T T Radio.